เรื่องรุกขเทวดาองค์หนึ่งกับภิกษุผู้ตัดต้นไม้พระสสดาเมื่อประทับอยู่ที่อาคาลวะเจดีทรงปรารกรุกขเทวดาองค์หนึ่งกับภิกษุผู้ตัดต้นไม้รูปหนึ่งความพิสดารว่าภิกษุชาวเมืองอารวีรูปหนึ่งสร้างเสนาสนะของตนอยู่ เห็นต้นไม้เป็นที่พอใจต้นหนึ่งเริ่มจะตัดเทวดามีลูกอ่อนองค์หนึ่งเกิดที่ต้นไม้นั้นอุ้มบุด้วยเซลยืนอ้อนวอนว่าพระกุณเจ้าขอท่านอย่าตัดวิมานของข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าไม่มีที่อยู่ไม่อาจอุ้มบุตร่อนเร่ไปได้ภิกษุนั้นคิดว่าถ้าไม่ตัดต้นไม้นี้ก็ไม่มีไม้จะใช้ก่อสร้างจึงไม่เอื้อเฟื้อต่อคาพูดของเทวดานั้น เทวดานั้นคิดว่าถ้าเห็นทารกคงจะเอื้อเฟื้อจึงวางบุตรของตนไว้ที่กิ่งไม้ฝ่ายภิกษุไม่อาจยั้งขวานที่เงื้อไว้ได้ได้ตัดแขนทารกนั้นขาดเทวดาเสียใจแลกโกรธแล้วกำลังเงื้อมือจะทำร้ายภิกษุเกิดฮิริความละอายโอตปะปกลัวบาปแล้วพลางคิดว่าภิกษุนี้มีศีล ถ้าเราทำร้ายจะต้องตกนรกแม้เทวดาอื่นก็จะเอาเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีอย่างนี้ว่าแล้วก็ระงับความโกรธไว้และคิดว่าภิกษุรูปนี้มีเจ้าของคือพระสัสดาจึงไปเฝ้าพระสัสดาทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบ พ, พระศัสดาทรงทราบเรื่องแล้วตรัสว่าผู้ดแลพึงระงับความโกรธที่พุ่งขึ้นไว้ได้ เหมือนห้ามรถที่แลนดด้วยกําลังเร็วเขาเรียกว่าสารถีส่วนคนนอกนี้เป็นเพียงผู้ถือเชือกในการจบเทศนาเทวดานั้นดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทที่ประชุมกันแล้วฝ่ายเทวดาแม้เป็นพระโสดาบันก็ยังยืนร้องไห้ยอยู่เพราะไม่มีวิมานที่อยู่ พวกนี้เป็นเทวดาระดับล่างนะครับเป็นรุกขเทวดาที่ยังต้องอาศัยต้นไม้เป็นวิมานพระศัสดาทรงชี้ไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งเทวดาจุติไปเมื่อวันก่อนใกล้กับพระคันทกคูดีในพระเชตวันตรัสว่าต้นไม้โน้นในอากาศน้นว่างเถิดจงเข้าสถิตที่ต้นไม้นั้นเถิดเทวดานั้นเข้าสถิตต้นไม้นั้นแล้วตั้งแต่นั้นมา แม้เทวดาที่ทรงศักใหญ่ทราบว่าวิมานของเทวดานี้อันพระพุทธเจ้าประทานก็ไม่อาจมาทำให้วิมานนั้นวันไหวได้พระศ า, ศ, าศาสดาทรงทำเรื่องนี้ให้เป็นเหตุต้นบัญญัติสิกขาบทเกิดขึ้นแล้วทรงบัญญตัติภูตคามสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายทรงห้ามภิกษุตัดต้นไม้และพรากแม้ของเขียวดังนี้แหล หมายเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องนี้หลายท่านก็คงจะสงสัยเช่นเดียวกันกับผู้อ่านเหมือนกันนะครับว่าความที่ตัดต้นไม้นั้นจะไปตัดแขนของเด็กได้อย่างไรในเรื่องนี้นั้นขอให้จับเอาแต่แกนความสำคัญของเรื่องก็พอนะครับส่วนเรื่องปลีกย่อยนั้นเราไม่อาจทราบได้ว่าเป็นจริงหรือไม่จริงหรือเป็นการขยายความเพื่อให้เห็นภาพเท่านั้นในแง่ของสื่อการสอนนั้น บางครั้งก็ต้องมีการเล่าเรื่องให้เห็นภาพจากคนรุ่นหลังซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นในชั้นอาาัธกถาที่ท่านแจกแจงโดยพิสดารเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มคนฟังและการสอนให้เข้าใจได้โดยง่ายนะครับคําสอนหลายส่วนนั้นสืบทอดมานานเป็นหลักพันปีแล้วซึ่งคนในสมัยก่อนนั้นอาจจําเป็นต้องสอนแบบนี้เพื่อให้มีความน่าสนใจและเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับแต่โดยรวมแล้วแก่นของเรื่องก็คือ เทวดามีหลายจำพวกหลายชั้นพวกหนึ่งก็คือรุกขเทวดาภูมิเทวดาที่ยังต้องอาศัยบนพื้นแผ่นดินโลกอยู่บนพื้นดินบ้างอยู่ในอากาศบ้างอยู่ตามต้นไม้ใหญ่บ้างจุดสำคัญคือการตัดต้นไม้ที่เป็นการทำลายวิมานของรุกขเทวดานั้นซึ่งต่อมาก็ได้เป็นพุทธบัญญัติอยู่ในพระวินัยห้ามพระตัดต้นไม้นะครับสาหรับในเรื่องนี้ผู้อ่านเองมีความเห็นว่า การเล่าเรื่องว่าตัดต้นไม้แลดวนแขนของทารกนั้นน่าจะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าการตัดต้นไม้นั้นก็ไม่ต่างอะไรจากการตัดแขนของลูกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่ทำให้มีความโกรธได้รุนแรงเปรียบเทียบกับต้นไม้ก็เหมือนแขนขาของลูกท่านเมื่อมีคนไปตัดก็ยอมสร้างความโกรธได้อย่างมหาศาลและความโกรธนั้นก็ถูกระงับได้ด้วยสติซึ่งเป็นเรื่องที่ทาได้ยากนะครับ จะถูกหรือจะผิดอย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ฟังพิจารณาเอานะครับการศึกษาธรรมะต้องมีโยนิโสมนสีการพอสมควรถึงจะเข้าใจและต้องมองให้ครอบคลุมหลายมิติถึงการสอนในแต่ละบุคคลแต่ละเวลาแต่ละสถานที่ที่อาจต้องมีรูปแบบการสอนที่แตกต่างกันไปทั้งการอุปมาขยายความทั้งการเล่าเรื่องให้เหมาะสมกับบุคคลและจริตนะครับ ที่ต้องหมายเหตุเสริมไว้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนรุ่นหลังเข้าใจผิดเชื่อแบบงมงายหรือปฏิเสธแบบสุดโต่งโดยขาดความเข้าใจขาดการพิจารณาจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ